มงคลสูตรนะในคุตกะปาฐะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินติกะกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อล่วงประถมอายามไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวันะงดงามแปลงรัศมีสว่างทั่วพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีพากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกมงคลอันอุดมด้วยเถิดพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาค ได้แต่ตอบด้วยคาถาเหล่านี้ว่าการไม่คบคนพาลการครบแต่บัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชานี่ก็เป็นมงคลอุดมการอยู่ในประเทศอันเหมาะความเป็นผู้ทาบุญไว้แต่ก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี่ก็เป็นมงคลอุดมความเป็นพหูสูตร ความเป็นผู้มีศิละปะมีวินัยที่ศึกษามาดีมีวาจาสุภาษิตนี่ก็เป็นมงคลอุดมการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรภรยาการงานอันไม่อากูลนี่ก็เป็นมงคลอุดมทารธรรมจริยาการสงเคราะห์ญาติการงานอันไม่มีโทษนี่ก็เป็นมงคลอุดม การงดเว้นจากบาปการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายนี้ก็เป็นมงคลอุดมความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกระตัญยูการฟังธรรมะตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมความอดทนความว่าง่ายการเห็นสมณะ การสนทนาธรรมะตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมตบะพรหมจรรันทร์การเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งนี่ก็เป็นมงคลอุดมจิตของผู้ที่ถูกโลกกะระทำกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลเสเกษมปลอดโปร่งนี่ก็เป็นมงคลอุดม เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้วไม่พ่ายแพ้ในค่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แหละมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะทีนี้ถ้าหากว่ามาจัดมงคลนะอย่างคาถาที่หนึ่งคนะาถาที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงเนี่ยนะว่า อาเสวานาจะพาลานังปันติตา น, นจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะก็บอกว่าคาถาที่หนึ่งมันมีสามมงคลคือการไม่คบคนพา น, นี่หนึ่งการครบบัณฑิตเนี่ยหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะทั้งสามอย่างนี้เป็นอุดมมงคลหมายว่าเป็นมงคลที่สูงสุดเลยนะคาถาแรกเนี่ยมีสามสามมงคล ส่วนคาถาที่สองว่าปฏิรูประเทสวาโสจะปุเพจกตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณิทิจเตมังคลมุตตะมังคาถานี้ก็มีสามมงคลคือการอยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยหนึ่งปฏิรูปรเทสวะโสเนี่ยนะแล้วก็ปุเพจกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนอันนี้หนึ่งแล้วก็การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยหนึ่งอันนี้ก็เป็นอุดมมงคลอันคาถาที่สองก็มีสาม มงคลส่วนคาถาที่สามเนี่ยนะเว่าพาหุสัจจจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมบังคลมุตตะมังเนี่ยนะคาถาที่สามนี่มีสี่มงคลคือหนึ่งพาหุสัจจะคือความเป็นพหูสูตรเนี่ยหนึ่งนะสองศิลปะสามวินันที่ศึกษาดีแล้วแล้วก็สี่วาจาสุภาษิตอ่ะนะ คาถาที่สามเนี่ยนะมีสี่มงคลนี้ก็เป็นอุดมมงคลส่วนคาถาที่สี่มาตาปิโตุอุปัฏฐานางังปุตตะทาราสังกหงูอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังขลมุตตะมังเนี่ยนะคาถาที่สี่นี้ท่านจัดไว้สามมงคลคือการบำรุงมารดาบิดานี่หนึ่งการสงเคราะห์บุตรภันยานี่หนึ่งการงานอันไม่อากูลนี่หนึ่งเนี่ยนะอันนี้มีสามมงคล ส่วนคาถาที่ห้าเนี่ยนะคาถาที่ห้ า, า 5, คือทานนันจะธรรมจริยาจะยาตการนันจะสังกะโหอนวัชานิกรรมมานิเอตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะสองการประพฤติธรรมสามการสงเคราะห์ญาติสี่การงานอันไม่มีโทษคาถาที่ห้านี่มีอยู่สี่มงคดเนี่ยนะ ส่วนคาถาที่6ว่าด้วยอารติวีรติปาปามัชฌปานาจัสัญโ ม, มอั ป, ปมาโดจัมเมสุเอตมังคลมุตตมังเนี่ยนะคือการงดเว้นจากบาปเนี่ยหนึ่งการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายเนี่ยหนึ่งคาถาที่6มีสมงคลส่วนคาถาที่7เนี่ยนะคาร ว, วจะนิวาโตจะสันตุถีจะกระตันยุตา กาเลนะธรรมมัสวนังเอตัมมังคามุตตะมังเนี่ยนะคาถานี้มีอยู่ห้ามงคลด้วยกันคือหนึ่งคารวความเคารพสองนิวาโตคือความประพฤติถ่อมตนแล้วก็สามสันตุทีคือความสันโดษกตันยูตาคือความกตัญญูกันนะข้าห้าก็คือกาเลนะธรรมมัสวันังการฟังธรรมตามการอันคาถาที่เจดเนี่ยนะมีอยู่ห้ามงคล น, นะ ขันตจิจะโสวะจัะสตาสมานานันจทะทัศนังกาเลนะธรรมสากัช้าเอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะคาถาที่แปดนี่มีอยู่สี่มงคลคือความอดทนนี่ยหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายนี่ยหนึ่งเนี่ยนะ <Evet. S 2> การได้เห็นสมณะทั้งหลายนี่ยหนึ่งการสนทนาธรรมตามการ <c oughs> คําว่าอดท น, อนนี่ก็บาลีว่าขันติจะเนี่ยนะความเป็นผู้ว่าง่ายก็โสวจัสตาการได้เห็นสมณะก็สมานานันจทะทัศนัง แล้วก็กาเลนะธรรมสากัจชาก็คือการสนทนาธรรมตามการคาถาที่8ดมีอยู่4มงคลส่วนคาถาที่9เนี่ยนะคือตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคัลมุตตะมังคําว่าตะโปหรือตะบะนี้มี2อ อ, อย่างนะเป็นชื่อของความเพียรกับเป็นชื่อของอินทรีย์สังวร น, นะอินทรีย์สังวรกับความเพียรชื่อว่าตะบะหนึ่งข้อ2ก็พรหมจรรย์เ น, นี่ยนะ ข้อก็การเห็นอริยรสัจข้อสี่ก็การทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยนะคาถาที่9้ามีอยู่4มงคลด้วยกันส่วนคาถาที่10เนี่ยนะคาถาที่10ก็บอกว่าพุทัศโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังวีระชังเขมังเอตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะบอกว่าจิตของผู้ใดอันโล ก, กะธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วหนึ่งไม่หวั่นไหว 2. ไม่เศร้าโศกสามปราศจากทุรี 4ก็เป็นจิตกเกษม น, นะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุดมมงคลทานคาถาที่10บมีอยู่สี่มงคลแต่พิเศษหน่อยหนึ่งนะสำหรับคาถาที่สเนี่ยนะคาถาที่สที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานางังปุตตะทาราสังขโหอนากุลาจากรรมมันตาเอตัมมังคามุตตามั ง, าม ต, ามงตามนยะแห่งอัตกถาเนี่ยนะคำว่าสงเคราะห์บารุงมานดาเนี่ยนับหนึ่งสงเคราะห์บิดาเนี่ยนับหนึ่ง สงครอบบุตรกับภันยาเนี่ยนะก็นับอีกหนึ่งแล้วก็การงานอันไม่อากูนี่อีกหนึ่งในคาถานี้จะนับว่าเป็นห้าก็ได้นับเป็นสี่ก็ได้นับเป็นสามก็ได้ถ้านับเป็นสามก็คือการสงการบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนับหนึ่งการสงเครอบบุตรกับภันยาเนี่ยนับหนึ่งการงานอันไม่อากูเนี่ยนับหนึ่งอันนี้เรียกว่านับแบบสามถ้านับแบบสี่ก็คือการบำรุงมารดาเนี่ยหนึ่งการบำรุงบิดาเนี่ยหนึ่ง การสงเคราะห์บุตรภันยาเนี่ยนับหนึ uh ่งการงานอันไม่อากรูเนี an ่ยนับหนึ่งอันนี <an> ้ได้สี่ถ้านับแบบห้านับแบบห้าก็ได้ว่ะการบำรุงมารดาเนี่ยนับหนึ่งการบำรุงบิดาเนี่ยนับหนึ่งการสงเคราะห์บุตรนับหนึ่งการสงเคราะห์พริยาเนี่ยนับหนึ่งการมางานอันไม่อากรูเนี่ยนับหนึ่งเนี่ยนะนับห้าก็ได้มันจะนับสามนับ4ี่นับห้าก็ถูกนะอัตตกถาท่านแสดงไว้อย่างนั้นแต่ถ้าจะให้ครบ38ก็ต้องนับสเนี่ยนะ คือการบำรุงมารดานี่นับหนึ่งการบำรุงบิดาเนี่ยนับหนึ่งการสงงครอบบุตรกับภริยาเนี่ยนับหนึ่งการงานอันไม่อากรูเนี่ยนับหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นอุดมมงคล น, นะนะเอตัมมังคลมุตตะมังวังกันอย่างนั้ผลนะผู้ที่มีมงคลครบทั้งสาสิดเนี่ยนะมงคลทั้งหมดตามที่กล่าวไปแล้วว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะ เอตาธิสานิกัตวาณสัพพัรมะปราชิตาสพัพพะโสทิงคัชชันติตันเตสังมังคลมุตตมันติเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในค่าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราจะขอทบทวนถึงว่า ในคัมภีร์คุตตะปาฐาเนี่ยนะเรื่องที่1เนี่ยว่าด้วยอะไร1 1ว่าด้วยสารณคม2ว่าด้วยศิขาบทข้อ3ว่าด้วยอาการ32ข้อสนี้เป็นสัมมเณนปัญหาข้อ5ก็เป็นมงคลข้อ6รัตนสูตรข้อ7ตีโรกุตตะกั์ข้อ8นิธิกันเก้ 9, เมตสูตรเนี่ยนะสารณคมนี่พูดถึงภาวนาประเภทไหน สารณาคมนี้เป็นลักษณะของจิตตภาวนาสิกขาบทสิบนี้เป็นชื่อของอะไรศีลภาวนาเนี่ยนะภาวนานี้แปลว่าอบรมเนี่ยนะภาวนาก็ได้แปลสารณาคมเป็นชื่อของอบรมจิตเนี่ยนะสิกขาบทสิบชื่อว่าอบรมศีลอาการสามสิบสองชื่อว่าอบรมอะไรอบรมกายเนี่ยนะเรียกว่ากายะภาวนาส่วนสามเนินปัญหานี้เป็นอะไร เป็นการอบรมอะไรอบรมปัญญาเนี่ยนะเป็นการอบรมปัญญาหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าคําว่าสารณคมเนี่ยเป็นการเข้าถึงศาสนาใช่ไหมเป็นการเข้ามาสู่ศาสนาเนี่ยนะเข้าสู่ศาสนาส่วนสิกขาบทเนี่ยหมายถึงศิกขาของผู้ที่อยู่ในศาสนาเนี่ยนะแล้วก็เป็นประโยคะด้วยนะศิขาบทสิบเนี่ยเป็นประโยคะ ส่วนอาการสามสิบสองเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอาสยะเนี่ยนะเพื่อที่จะทําให้อาสยะบริสุทธิ์ก็ต้องอาเจริญอาการสามสิบสองเนี่ยนะทำให้อาสยะบริสุทธิ์นะขึ้นแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นการทําจิตตภาวนาด้วยนะอาการสาสิบสองเนี่ยนะนั่นนะเป็นการเจริญอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะนี่ยสัมมณีปัญหาก็เป็นเอ่อเป็นภาวนาปัญญา เพราะฉะนั้นสิกขาบท10บจะเรียกว่าเป็นอธิศีนก็ได้อธิศีและสิกขาอาการสามสิบสองก็เป็นอธิจิตสิกขาส่วนสัมมนนปัญหาก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะอธิกล่าวทบทวนนี้เพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นมงคลหมดเลยทั้งสารณคมทั้งสิกขาบทสิบทั้งอาการสาสองทั้งสัมเณนปัญหานะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นมงคลหมดเลยว่าั้น อย่างที่อัตถกถาท่านประมวลว่าการนับถือพระาศาสนาด้วยการถึงไตรสรณคมและก็ตามในประเภทแห่งศีลก็แสดงไว้ด้วยศีและสิกขาสมาธิก็แสดงด้วยอาการ32ปัญญาก็แสดงด้วยปุมามปัญหาแม้ทั้งหมดนี้ก็เป็นมงคลยิ่งเพราะผู้ต้องการมงคลจําต้องภาคเพียรอย่างยิ่งในมงคลข้อนั้นนั่นแหละอันผู้ที่อยากได้มงคลจริงๆเนี่ยนะ ก็ต้องภาคเพียรปฏิบัติตั้งแต่สารณคมให้ดีสิกขาบท10ให้บริบูรณ์อาการ32ก็เจริญให้มากสัมมนเนนปัญหาก็ภาคเพียรให้มากๆนะทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เป็นมงคลหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียงมงคลต่อจากสัมมนเนนปัญหาหรือเรียงมงคลต่อจากไตรสิกขาที่กล่าวไปแล้วทีนี้ส่วนข้อความที่กล่าวถึงว่า มงคล น, นั้นเกิดจากเรื่องราวอะไรเหตุการณ์อย่างไรเป็นต้นนี้จกไม่นํามากล่าวในที่นี้เนี่ยนะมุ่งกล่าวถึงว่าในยุค ก, ก่อนๆเ น, นี่ยนะการถือมงคลก็ถือไม่เหมือนกันคล้ายๆกับยุคนี้นะยุคนี้บางคนก็ถือวัตถุเป็นมงคลอย่างเงี้ยนะถือการเห็นการได้ยินเป็นต้นเนี่ยเป็นมงคลเพราะการถือมงคลแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยนะ ในหน้า163นียว่ามูลเหตุของการเกิดมงคลว่าเล่ากันมาว่าในชมพูทวีปเนี่ยนะมหาชนเนี่ยชุมนุมกันในที่ น, น, นั้นเช่นใกล้ที่ประตูเมืองสภาแห่งสถานราชการเป็นต้นมอบทรัพย์สินเงินทองให้เขาเล่าเรื่องต่างๆเช่นเรื่องนำนางศีดามาเป็นต้น น, นะเรื่องมหาภราตาเรื่อง น, นรามเกียรติเนี่ยนะเขาจะมีสภาเล่านิทานานนเนี่ยสภาเล่านิยายเรื่องราวต่างๆเยนะก็บอกเรื่องหนึ่งๆเนี่ยเล่าอยู่ถึงสี่เดือนจึงจบเนี่ยโอ้เรื่องมันยาวมากะนะทีนี้ในสถานที่นั้นวันหนึ่งเรื่องมงคลปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอะไรเล่าหนอเป็นมงคลคำถามแบบนี้ขึ้นมานะ ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังมงคลก่อนนะเรไปเที่ยวเที่ยวถามถามดูในยุคนี้ไม่รู้จะตอบมงคลอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอะไรเป็นมงคลบอกวัตถุเป็นมงคลเหมือนกันนะมาเที่ยวบูชาวัตถุมงคลเป็นต้นนะนะหรือบางคนก็บอกสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นมงคลเขาเรียกว่าทิฏฐะมังคลิกะเหมือนนพวกที่เห็นเนี่ยเป็นมงคลบางเจ้าก็บอกเรื่องที่ได้ยินนี่เป็นมงคลนะบางคนบอกมุตตะมังคละมังคลิกะเนี่บอกสิ่งที่ทราบนี่เป็นมงคล ปรึกษาหาเรือกันเอ้ยแล้วใครจะรู้จักมงคลกันแน่คือในครั้งนั้นนี่นะบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าทิฏฐ์มังคลิกะเนี่ยนะคนนับถือสิ่งที่เห็นว่าเป็นมงคลว่าข้าพเจ้านี่รู้จักมงคลว่าไ น, นบอกสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นมงคลในโลกถ้าลืมตามองเห็นแล้วเป็นมงคลว่าไงรูปที่สมมุติกันว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งชื่อว่าทิฏฐ์ถามว่ารูปอะไรล่ะ บอกคนบางคนในโลกนี้ตื่นแต่เช้าเห็นนกกระเต็นบ้างเห็นต้นมะตูมรุ่นหนุ่มบ้างเห็นหญิงมีคันบ้างเห็นขนท้องเป็นมงคลเละหรือว่าจะเห็นเด็กรุ่นหนุ่มนตกแต่งประดับกายบ้างเถินหม้อเต็มด้วยน้ําบ้างปลาตะเพียนแดงสดบ้างม้าอาชายนายบ้างรถเทียมม้าบ้างโคผู้บ้างโคเมียบ้างโคแดงบ้างะหรือเห็นรูปแม่อื่นใดเห็นปานี้ที่สมมุติกันว่าเป็นมงคลยิ่ง รูปที่เห็นนี้เรียกว่าเป็นที่ทำมงคลนะคนบางพวกก็ยอมรับคําของเขาบางพวกก็ไม่ยอมรับนะครบางคนเนี่ยนะก็เห็นด้วยเออใช่ใช่สิ่งที่เห็นนี่แหละเป็นมงคลบางออกไม่ใช่ไม่ใช่พวกที่ไม่เห็นด้วยว่ารูปที่เห็นเป็นมงคลก็เถียงขึ้นว่างั้นทีนี้ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าสุตะมังคลิกะว่างั้นไอ้ผู้ที่ถือการฟังนี่เป็นมงคลกล่าวว่าท่านเอ้ยว่างั้น ขึ้นเชื่อว่าตาย่อมเห็นของสะอาดบ้างเห็นของไม่สะอาดบ้างเห็นของดีบ้างของไม่ดีบ้างของชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพี่ว่ารูปที่ผู้นั้นเห็นเนี่ยนะพึงเป็นมงคลใช่ก็จะพึงเป็นมงคลทั้งหมดหละซิงั้นใครลืมตาเห็นอะไรก็เป็นมงคลหมดเหมนรูปที่เห็นไม่เป็นมงคลเขาเสนอรับที่ของเขาเลยบอกไม่ไม่ใช่เห็นเนี่ยไม่ใช่มงคลก็แต่ว่าเสียงที่ได้ยินต่างหากเป็นมงคลเหมือนกัน เสียงที่สมมติกันว่าเป็นมงคลยิ่งเชื่อว่าสุตะเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรบอกบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เชา้าได้ยินเสียงเช่นนี้ว่าเจริญแล้วเจริญอยู่เต็มขาวใจดีสิริเจริญด้วยสิริวันนี้เลิกดียามดีวันดีมงคลดีหรือเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงที่ได้ยินนี้เรียกว่าสุตตะมงคลว่าั้นะ คนบางพวกก็ยอมรับแต่คําของเขาบางพวกก็ไม่ยอมรับเนี่ยนะพวกที่ไม่ยอมรับก็ขัดแย้งไปทีนี้ย้อนไปที่พวกทิฏฐามังคลิกะเนี่ยนะพวกที่ถือรูปเป็นมงคลเนี่ยนะบางยุคบางสมัยเนี่ยนะพวกที่ถือไอ้ทิฏฐามงคลมากๆเนี่ยนะถือว่าการเห็นคนจันทานเนี่ยถือว่าเป็นอัปปะมงคลเลยนะพูดถึงในสมัยสมัยหนึ่งที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเกิดเป็นคนจันทานเหมือนกันเป็นพี่น้องจันทานด้วยกันทั้งคู่เหมือนน ทีนี้ในจันทานนี้เขาก็ไปเรียนศิละปะของจันทานมาไปเรียนศิละปะของจันทานก็ไปแสดงศิละปะของจันทานให้คนดูเพื่อที่จะได้เขาจะได้บริจาคอะนะเขาก็จะได้เสียสละสตังค์ให้ไปไปกินข้าวไปเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะศิละปะของจันทานทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมีพราหมอยู่พราหมกับลูกสาวของพราหมนี่เขาจะไปเที่ยวสวนกันแล้วจะต้องเดินผ่านไปทางนั้นพอดีเลยนะ ทีนี้ไปเห็นคนจันทานเนี่ยกําลังเล่นมหรสพของจันทานเนี่ยนะการละเล่นของจันทานเนี่ยอาจพวกเล่นกายกรรมอย่างเงี้ยนะทีนี้อลูกสาวของพราหมณ์คนนี้ก็ไปถามอ้าวนั่นอะไรก็บอกนั่นคนจันทานกําลังเล่นอย่างเงแกเนี่ยเสียใจใหญ่เลยเนะหาน้าหอมหาน้ําอย่างดีมาล้างตาวันนี้เป็นอัปมงคลเป็นอย่างยิ่งคำว่างั้นก็เลยเลิกกลับไปเลยองเ้นเพราะฉะนั้นบางยุคบางสมัยเนี่ยนะไอเรื่องทิฏฐะมงคลเนี่ยเขาถือว่าสําคัญมากเลยนะเขาถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ เอาเป็นเอาตายมากกับเรื่องราวเหล่านี้อัน <c oughs> ในการถือว่าสีที่เห็นเนี่ยเป็นมงคลพวกที่ถือว่าเสียงเป็นมงคลก็ไม่เห็นด้วยทีนี้พวกที่ถือว่าเสียงเป็นมงคลพวกที่ถือว่ากลิ่นปงเป็นมงคลก็ไม่เห็นด้วยว่าครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยนะชื่อว่ามุตตะมังคลิกะ กล่าวว่าท่านเอ้ยแท้จริงเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าหูย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพิว่าเสียงที่ผู้นั้นได้ยินพึงเป็นมงคลซใช่ก็จะเป็นมงคลทั้งหมดนะสิว่าไงเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินจึงไม่เป็นมงคลก็แต่ว่าเสียงที่ทราบแล้วต่างหากสิ่งที่ทราบแล้วต่างหากว่าเป็นมงคลว่าไงเถอะพวกกลิ่นพวกรส พ, พวกโพธิภาพที่ถูกต้องนี่แหละชื่อว่ามงคลอา้าวอย่างไร บอกคนบางคนเนี่ยลุกแต่เช้าสูตรกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นหอมมีกลิ่นดอกบัวเป็นต้นบ้างนะเขียวไม้สีฟันขาวบ้างตื่นเช้ามาแปลงฟันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มงคลกันมั้งหรือว่าจับต้องแผ่นดินบ้างจับต้องเข้ากล้าเขียวบ้างนะหรือไปรูปขี้วัวสดบ้างไปจับเต่าบ้างจับงาบ้างดอกไม้บ้างผลไม้ฉาบทาด้วยดินสีขาวโดยชอบบ้างนุ่งห่มผ้าขาวบ้างพอกผ้าขาวบ้างหรือว่าสูตรกลิ่น ลิมรสหรือถูกต้องโพธภะที่สมมุติกันว่าเป็นมงคลยิ่งอื่นใดเห็นตานั้นเสียงนั้นดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นมุตตะมงคลนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ถือเอากลิ่นเอาถือเอากลิ่นเอารสเอาโธาพธาภะเป็นมงคลก็ถกเถียงกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ใครถือรูปเป็นมงคลถือเสียงถือกลิ่นถือรสและโพธภะเป็นมงคลมันก็ถกเถียงกันะ น, นะมันก็ ม, มีไม่มีใครยอมใครเพราะฉะนั้น ก็บางพวกก็ยอมบางพวกก็ไม่ยอมทีนี้ในสามพวกนั้นนะนะพวกที่ทามังคลิกะบุรุษก็ไม่อาจทำให้สุตตมังคลิกะบุรุษยอมรับและพวกมุตตะมังคลิกะบุรุษยินยอมได้นี่นะคือไม่มีใครยอมใครว่า ง, งั้นเถอะทีนี้ถ้าใครเชื่อสายไหนสายไหนก็ยอมรับกันตปเองเพราะฉะนั้นในเรื่องมงคลปัญหานี้ก็ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปด้วยประการเช่นนี้ไม่รู้ว่าใครรู้อะไรเป็นมงคลกันแนะ่ ครั้งนั้นมนุษย์ทั่วชมพูทวีปก็ถือเอาเป็นพวกพวกพาการคิดมงคลทั้งหลายว่าอะไรเป็นมงคลกันนพวกอารักษาเทวดาเนี่ยนะเทวดาที่ดูแลรักษา Infinite, มนุษย์พวกนั้นก็ฟังเรื่องนั้นแล้วก็พาการคิดมงคลทั้งหลายเหมือนกันเทวดาไปคิดดูซิว่าอะไรเป็นมงคลเหมนกันทีนี้พวกภุมมะเทวดาเป็นมิตรของเทวดาเหล่านั้นฟังเรื่องราวของอารักเทวดานั้นแล้วก็พาการคิดมงคลอย่างนั้นเหมือนกันนะพวก เทวดาอยู่ตามภูเขาตามต้นไม้ทั้งหลายแหล่ก็เอาไปคิดดูเอะอะไรนะมันเป็นมงคลทีนี้พวกอากาศเทวดาที่เป็นเพื่อนของเทวดาเหล่านั้นจาตุมมหาราชิกาเทวดาเป็นมิตรของอากาศเทวดาเหล่านั้นโดยอุบายนี้จนถึงอักกนิตาเทวดาทีนี้เทวดาที่เป็นมิตรของสุทัศสีเทวดาฟังเรื่องจากสุทัศสีเทวดานั้นแล้วก็พากันถือเป็นพวกพวกคิดมงคลกันนะด้วยอุบายอย่างนี้ การคิดมงคลได้เกิดขึ้นไปทุกหนทุกแห่งไปจนถึงหมื่นจักรวาล น, นะก็การคิดมงคลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแม้วินิจฉัยวันนี้เป็นมงคลนี้นี้ไม่เป็นมงคลก็ยังไม่เด็ดขาดเนี่ยนะไม่มีใครยอมรับได้ว่าอะไรเป็นมงคลกันแน่ปัญหา น, นี้ก็ถกเถียงกันอยู่สิบสอปีทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งหมดก็เวททาริยาสาวกก็แตกออกเป็นสามพวกเนี่ยนะ พวกถือทิฏฐะมงคลสุตะมงคลแล้วก็มุตตะมงคลเนี่ยนะสามพวกเนี่ยนะแม้แต่พวกหนึ่งก็ตกลงไม่ได้ว่าไอ้อย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงก็มงคลโกลาหนก็เกิดขึ้นในลูกถ้าพูดถึงโกราหนโกราหนเนี่ยนะธรรมดาแล้วโกราหนเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งเรื่องโกลาหนในเรื่องกลับก็สองโกลาหนในเรื่องของพระเจ้าจกักรพรรด สมก็โกลาห์นในเรื่องของพระพุทธเจ้าสี่ก็โกลาห์นในเรื่องมงคลห้าโกลาห์นในเรื่องโมเนยะในโกลาห์นทั้งห้าอย่างเนี่ยนะพูดถึงโกลาห์นในเรื่องกลับก่อนว่าเหล่าเทวดาชั้นกามาวจรคือเทวดาในหกชั้นเนี่ยนะปล่อยศีรษะสยายผมร้องให้เอามือเนี่ยนะเช็ดน้ําตานุ่งผ้าสีแดง ทรงเพศแตกๆอย่างยิ่งเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์ร้องบอกกล่าวว่าล่วงไปแสนปีกับจักปรากฏเืองั้นโลกนี้จักพินาศมหาสมุทรจักแห้งมหาปตพีนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหม้จักพินาศโลกจักพินาศจักมีจนถึงพรหมโลกดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงพาการเจริญเมตตาไว้เถิดพาการเจริญกรุณาผูทตาอุเบกขาเอาไว้เถิด ท่านผู้นิรุกุกจงบำรุงมารดาบิดาจงยำเกรงท่านผู้เป็นใหญ่ในตระกูลตื่นกันเถิดอย่าได้ประมาทกันเลยว่าไงเถิดนี้ชื่อว่ากลับโกลาหนโกลาหนในเรื่องกลับว่าไงแต่นี้ว่าโกลาหนอันนี้จะเกิดแสนปีก่อนที่กลับจะพินาศว่าไงส่วนโกลาหนในเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะว่า เทวดาในชั้นกามาวาจร น, นั่นแหละเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกว่าล่วงไปอีกร้อยปีพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นในโลกอันนี้คือเรือนน่อว่าจักรวติโกลาหนโกลาหนเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินี่อันนี้เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดล่วงหน้าร้อยปีส่วนโกลาหนเรื่องพระพุทธเจ้า ว, ว่าส่วนเทวดาชั้นสุดทาวาสประดับองค์ด้วยอาภรณ์พรมโภกผ้าของพรมที่พระเศียรเกิดปีติปราโมท กล่าวพระพุทธคุณเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกกล่าวว่าล่วงไปพันปีพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกอย่างเงี้ชื่อว่าพุทธโกราหนโกราหนในเรื่องของพระพุทธเจ้าว่างั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นอไอโกราหนอันนี้นี่แหละพวกครูปุรณกักสปะอจิตะเกสะคำพลมัคลิกโคสารเนี่ยนะเขาได้โกราหนอันนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ละคนแต่ละคนก็ถือว่าตัวเองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องจากฟังโกลาหนมานี่แหละทีนี้ส่วนมงคลคนโกราหนก็บอกเทวดาชั้นสุทาวาสนั่นแหละรู้จิตของพวกมนุษย์เที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกว่าล่วงไปสิบสอปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักตรัดมงคลนี้ชื่อว่ามงคลโกราหล นเทวดาชั้นสุทาวาสนั่นแหละเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกข่าวบอกกล่าวว่าล่วงไปเจดปีพิกษูรูปหนึ่งสมาคมกับพระพุทธเจ้าจักทูลถามโมเนยปฏิปทาชื่อว่าโมเนยมงคลบรรดาโกลาหนทั้งห้านี้มงคลโกลาหนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในโลก